พระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่29พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าทิ้งความโชคดีให้สูญเปล่า วันนี้เป็นวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมเดือนพฤษภาเป็นวันนัดประชุมหรือว่าเป็นงานเป็นวันนัดรวมกันบรรดาสิบด่อนุสิ์ขององหลวงตาถ้าว่าพวกเราไม่มีวันนัดเจอกันนัดพบกัน ก็คงจะห่างเหินกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นคณะสงฆ์จึงได้ปรึกษาฟารุกันควรจะมีเดือนหนึ่งมิตรน่าจะมีสักครั้งหนึ่งก็ เ, เ, กเลยนัดจัดเอาว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้และกรพร้อมกัน วันพุ่งนี้เป็นวันที่30บพฤษภาคมองหลวงตาของเราท่านพาลูกหลานทำบุญเปิดโลกกระทา อ, อ, อันนี้ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมถ้าหากว่าผู้ที่จะไปร่วมงานทำบุญคอรอบรอบอย่างที่องค์หลวงตาเคยประกาศไว้ก่อนวันพุ่งนี้วันนี้ก็น่าจะเดินทางได้วันพุ่งนี้ พระสงฆ์คงจะบินเทวดาที่วัดป่าบ้านตาเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะวันวันที่30มสิบพฤษภานเป็นวันที่วันมรณภาพวันมรณะของโยมบรรดาขององค์หลวงตาวัะนั้นองหลวงตาท่านจึงจัดให้มีวันทำบุญโอเทศหรือว่าทำบุญให้โยมมรรดาขององค์ท่านท่านก็เลยถือว่า วันที่30เป็นวันเอ่อวันหนึ่งเป็นวันทาบุญเปิดโลกธาตุเอ่อเพราะนั้นหลวงตาถึงจะให้มีการทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อทุกคนเพราะว่าพวกเราก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญ า, า, าติยัดมิตรสหายถ้าว่าดวงวิญญาณใดก็ตามตกทุกข์ใดยากจูข อ, ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลหลวงตาเปิดทาบุญให้กว้างขวาง ในวันที่วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคณะสตาไยญาติโยมทุกท่านเอออย่าลืมวันทุกปีวันที่สามสิบพฤษภาเป็นวันทําบุญเนี่ยะวันนี้ก็เห็นพี่น้องสตาไทยญาติโยมมาตักบาตร้ดนหลนะอ่ะเห็นมาก เ, าเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อเองก็ได้ไป นานนะพงพ่อไปอินโดนีเซียนานทั้ง 5-6 ปีคิดว่าคงจะไม่ไปอีกล่ะไปประเทศไหนแต่เขานนมวล์แล้วนนมณ์อีกก็เลยไปสาเหตุที่ไปก็าพาอว่ามีสองสามีภรรยาคนก็ยังหนุ่มอยู่นะประมาณอายุสัก40ปีเขาก็าว่าเขาได้ศึกษาปฏิปทาขององค์หลวงตาเขาเกิดศรัทธาในองค์หลวงตา แต่เขาไม่ได้มาทั้งสองผัวเมียไม่ได้มาแต่ตั้งใจว่าจะมาเพราะว่าติดธุระนั้นติดธุระธุระนี้วันที่สุดลงตาก็เลยจุดตินิรภานเขาก็รู้สึกว่าเสียใจเขากรณมาในงานศพองหลวงตาเขามาเพราเขาไปอยู่นานเขาว่ากันนะจัดงานดูแลพระสงฆ์แต่ในใจของเขาเราพลาดโอกาสเมื่อลงตา ย, ยังอยู่เนี่ยก็พลาดโอกาส ไม่ไดม า, าไม่ได้มาการาบคารวะองค์หลวงตาแต่หลวงตาจุดตินิรภ า, านไปแล้วพวกเราจึงได้มาเอาเถอะเรากลับไปนี้เราจะสร้างวัดนะพ่อกลับเข้าไปเขาก็ไปสร้างวัดขึ้นมาซื้อที่ดินประมาณสองไร่กว่านะเขาก็ปลูกสาลาปลูกที่พระที่พักของพระสงฆ์เสร็จแล้วเขาก็มาในหมนหลวงพอ่อแล้บอกว่าในเมื่อพลาดองค์หลวงตาแล้วไม่ควรจะพลาดลูกหลานขององคหลวงตาเข้าบอกกันนะ เขานีตามที่เขาพูดนะไม่ควรจะพลาดลูกหลานขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาเขาศึกษาดูแล้วปฏิปทาหน้าเคารพนับถือเลื่อมใสครับไปได้หลวงพ่อไหมพี่นาดูนะนาจะไปดูเขาว่างเขาทำยังไงครหลวงพ่อก็เลยตกลงติดตัดสิงใจไปไปเมื่อวันที่หวันที่หพุทธภาพ่อไปเห็นเขาโอ้เขาศรัทธาจริงๆนะล้นหลาม หางจากกรุงจาการ์ตาประมาณสัก6กิกิโลพอไปเห็นนะโ อ, อ้สัทยาญาติโยมไม่แพ้เมืองเมืองไทยของเราเลยเขา จ, จัดเป็นกลุ่มเป็นคณะมาตักบาตรตอนเช้าหลวงพ่อก็ได้เห็นเขาแล้วโอ้ เ, อเขาก็มอบวัดให้กับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเออเอารับไว้แต่หลวงพ่อก็ประกาศเหมือนกันนะหลวงพ่ออายุมากแล้วอายุแก่แล้ว คงจะไปไม่ไหวแล้วเพราะนั้นวันนี้นะคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาอง์หลวงตาเนี่ยลูกหลานน้องหนุ่งทั้งหลายนะถ้าหากว่าอยากจะไปให้พักวิเวกแล้วก็ไปพักผ่ อ, อนหย่อนใจพักหลบ เ, เ, เปลี่ยนบรรยากาศก็ไปพักได้ให้ถามหลวงพ่อบำลุงนะเพราะว่าหลวงพ่อโอหลวงพ่อบำลุงไปด้วยนะยแล้วก็ท่านรัตนะ มีเจ้าคุณเสือวัดการเนัมผูดีไปด้วยไปหลายองค์ทั้งหมด 7-8 องนะหลวงพ่อเอาไปเพร่ะเพื่ อ, อนให้ผู้ใดอยากจะไปปลีกวิเวกเนี่ยที่เป็นอินโดนีเซียก็ได้เขาแต่ว่าถึงยังไงเขาก็อยากจะได้นิมนตแนวปฏิปทาขององหลวงตาบินเท่าบาดบิน ท, าท่นทาาได้ด้วยนะ เพราะชมกลุ่มนั้นเป็นชมลงพุทธประมาณเจสหลังคาเขวอยงั้นนะบินเท่าบาทได้อีกแล้วก็ฉันเขาอยากจะให้พระแนวปฏิปทาของหลวงตาไม่อยากจะได้แนวปฏิปทาสายเอื่นหลวงพ่อเออเป็นคือเขาเจตนาดีเขาอยากจะยึดแนวแถวมาด้วยความเคารพในองค์หลวงตากพรานั้นองค์ไหนนะ น้องนุ่งทางไล่ผู้ที่ผู้ใดสดใจอยากจะไปอยู่กับเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่อินโดนีเซียก่อนที่มน่นะแต่ถึงยังไงถ้าไปก็ต้ององคตั้งใจนะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์ลงตายาทะเลทลายให้ยึดฉันจงลงตาพาดําเนวยังไงฉันมือเดียวอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอย่างไรนี่แหละเขาอยากจะได้ ه, ครูบาอาจารย์ที่พระสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามใครๆก็อยากจะได้ของดีทั้งหมดละ่ะคณะทศัทยาญาติโยมลูกหลานพวกคนหลวงพ่อเอ ง, งอก็อยากจะได้ของดีเหมือนกัน ه, เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านก็เหมือนกันนะั่นแหละของที่ไม่ดีพวกเราก็ไม่อยากจะได้อันไหนก็เหมือนกันนะ่ะครูบาอาจารย์ดีพ่อแม่ดีสามีภรรยาดีลูกลกดี แมหมูเพื่อนเมื่อหมูเพื่อนฝูงดีไงใครๆก็อยากจะได้นะแม่ถ้าว่าตรงกันตรงกันข้ามแล้วใครๆก็มาอยากจะได้ทางนั้นละ่ะวัะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านแม่เมื่อใครๆก็ต้องการของดีอย่างนั้นแล้วพวกเราทุกคนนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีมองดูตนเองทีนี้แม่มองดูตนเองว่าข้าพเจ้าดูมองดูข้าพเจ้าเองตรงไหนที่มันไม่ดี ข้าพเจ้าจะลดละในจุดนั้นข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในจุดนั้นถ้าว่าพวกเรามองตนเองไม่ลืมเจ้าของอย่าลืมเจ้าของไปที่ไหนๆอย่าลืมตัวเองหลวงพ่อว่า ด, ดีทั้งหมดนะคณะทัพาญาติโยมลูกหลานทุกคนวันนั้นวันนี้ก็พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้ม อ, อกปลื้มใจ ลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาลูกหลานขององค์หลวงตาอย่างอุ่นหนาวฝาคั่งอย่างเป็นผึกแผ่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเนอยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาลงสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยละหลวงพ่อไปขราวคราวนี้ก็ไปต่างประเทศหลงพ่อนี่หละยกประเด็นหลักเลยหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานสายนี้ หลวงตาเนี่ยเป็นลูกของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเนี่ยเป็นเหลนเนเป็นเหลนของหลวงปู่มั่นเแต่ถึงยังไงก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างไรเท่านถือกิจิจะวัดข้อวัดอย่างไรเรื่องจิตภาวนาเนี่ยท่านให้ภาวนาอะไรหลวงปู่มั่นท่านบอกให้ภาวนาพทนะุทโธเนแต่สายอื่นเราไม่ได้ว่า แนวภาษาอื่นไม่ดีเลยเราไม่ได้พูดอย่างนั้นสายอื่นก็ดีแต่นี่เราศึกษามาสายนี้แล้วก็นาแนวปฏิปทาที่ท่านพาดําเนินมาแต่เราก็เชื่อมั่นในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกเราสายหลวงปู่มั่นเพราะเหตุไดเพราะองค์ครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปกระดูของท่าน ได้กลายเป็นพัท ธ, ธ์ให้พวกเราเห็นตําตาตําใจของพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราเชื่อเชื่อมั่นว่านี้คือปฏิปทาสายพระอรหันต์นะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อไปพูดต่างประเทศหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้อีกเหมือนกันนะหวงพ่อมั่นใจจึงได้นํำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติสายนึงในหลายๆสาย เน่เพราะว่าอินโดนีเซียก็มีหลายสายนะสายที่เบตสายศีรกาสายพม่าสายเจ้าแม่กวนอิมเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันมีครอบบทนะแต่หลวงพ่อแนะนำว่าสายหลวงพ่อเนี่ยคือสายแนวปฏิปทาพระธุรงกรมมฐานสายหลวงปู่มั่นถ้าจะว่าไปและสายหลวงปู่มั่นในประเทศไทยขณะนี้ก็สายหลวงปู่มั่นเรื่องภาคปฏิบัติแล้วก็เป็นภาคเป็นสายที่ เ, เด่นดังรว่างพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิด เ, เ, ด, ด, ด, เด็ดดังที่สุดในแนวถแถวปฏิปทาของท่านท่านเรื่องสอนเรื่องศีลก็ชัดเจนเรื่องสมาธิ เ, เดินสมาธิอย่างไงก็ชัดเจนเดินปัญญาวิปัสสนาอย่างไรท่านก็เดินก็ชัดเจนเพราะฉนั้นจนถึงมรรคผลนิพพานจะชาระจิตใจอย่างไรในโค้งสุดท้ายนั้นท่านก็บอกชัดเจนอีก เ, เพราะนั้น ในทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาดูเถนะท่านะสัทธาญาติโยมเราจะเห็นได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแน่นอนแต่สายอื่นๆพ อ, อนั่งสมาธินี่แหละคือวิปัสสนาเนี่ยท่านก็พูดอย่างงั้นแต่สายของเราเนี่ยหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนเนี่ยสมะถะทำยังไงวิปัสสนาทํำยังไงจะชะจําระจใจให้หลุดพ้นในขณะที่โคงสุดท้ายเนี่ยทายังไงท่านบอกไว้ชัดเจนมากนะ เพราะนั้นให้พวกเราศึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราเดินมาถูกปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมั่นใจนะั้นลูกหลานนะไ ม, ม่มีกี่เปอร์เซนต์หลวงพ่อมั่นใจทุกเปอร์เซนต์ว่าพวกเราเดินมาถูกทางลงเดินมาถูกตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ เกิมาพบนิชาตินี้ในพบพระุทธศาสนาในพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นวบเป็นผู้โชคดีอย่างมากเกิดมาใน ป, ปฏิรูปประเทศสวัสดิจะอยู่ในประเทศอันสมควปรปุกเพจรกตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้สร้างบุญสร้างกุศลมาในอดีตแต่จึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินในพบพุทธศาสนาแห่งนี้นอัตตะสัมมาปณิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบนะ เกิดมาได้พบพุทธศาสนาและอย่าทะเลทลัยนะอย่าลืมตัวนะหลวงพ่อไปเห็นพี่น้องชาวอินโดนีเซียเขาคงจะเป็นนาดนะคงจะสมัยเมื่อเขาสร้างโบโลโพุทโธบ้างสร้างที่ไหนไหนเออแต่เขาจิตใจของของเขาวกวนเวียนเออคิดห่วงหาเออห่วงหาภูมิประเทศของเขาอยู่เขาก็าเกิดมาในพื้นแผ่นดินอินโดนีเซียเพราะนั้นเวลาเห็น หลวงพ่อไปปินธบาตตอนเช้านี่คนเป็นพันนะไม่ใช่น้อยนะลูกหลานนะคนเป็นพันมาใส่บาตไม่แพ้วัดไม่แพ้วันนี้ของเราเลยล่ะออวันนั้นนะอ่ะโอ้คนเห็นพระเลยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่รู้ภาษากันเลย เ, ออเหมือนกับญาติโกโหติกาไปเจอกันลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะญาติพี่น้องเก่าแก่มาเจอกันไม่รู้จะทักทายยังไงเออแต่เพไม่รู้ไม่รู้ภาษากันนะแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสพออกพอใจนะ มีในจิตในใ น, ในจิตในใจนะหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้ปลื้มใจไปเห็นพี่น้องชาวอินโดข่าวนี้นะอันนี้ก็มาเล่าเล่าให้ลูกให้หลานศรัทธาญาติโยมด้วยฟังพวกเขาเกิดมานะอ่อไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเขาไม่โชคดีเหมือนเราพวกเราเนโชคดีมากเลยเได้ฟังพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็เข้าใจอีกหลวงตาเทศยังไงครูบาอาจารย์แต่และองค์ท่านเทศสนาว่าการยังไง เรื่องศีลสมาธิปัญญาเขาเราเข้าใจหมดนะว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะแต่อย่าทำความโชคดีของเราเนขนาดนี้แล้วอย่าทำให้เสียอย่าให้เปล่าประโยชน์น ะ, นะคณะทายาิโยมลูกหลานเนี่ยใช้จติตใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้ย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ฟังฟังนะฟังฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ย ถ้าก็นำไปไปคิดไตรตรองดูจริงไหมนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะท่านน้่นะเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็ทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคนะีให้ร่ว ม, ร, วมร่วมกันเนาะพอสวนแสงธรรมของเราเนี่ยัยงพร้อมอยู่พร้อมยังไงเพราะว่าข่าน้าําข่าไฟ ว่องหลวงตาไม่อยู่เนี่ย้อยหลอเน้อคณะ ท, ะทายาทโยมลูกหลานทุกคนหนะ้าให้ช่วยช่วยกันเนี่ยนะใส่ใตู้เซฟก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ เ, เพื่อบํารุงสวนแสงธรรมพวกเรามานี่เห็นไหมละ่ะได้ใช้พัดลมได้ใช้ไฟได้ใช้น้ำล้วนแล้วจะเป็น เ, เงินทั้งหมดนั่นแหะที่เราใช้ในสวนแสงธรรมะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาช่วยช่วยกันเสียสละ คนละมากคนละน้อยแต่เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราทุกทุกทันนั่นแหละนะ